เนมนีรักษาศีลให้มันกุ้มเน้อแล้วนะหมูเจ้านะศีลสิบข้อนะจำได้หรือไม่ล่ะจำไม่มันได้ปานาทันม ห, ามห้ามม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายแล้วไม่ใช่ปืนให้ฆ่า ตัวน้อยนับแต่ยุงแต่ลิ้นเรีกขึ้นไปตัวใหญ่เท่าช้างอาทินนาธนามไม่ให้หยิบฉวยเอาของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหยิบเอาด้วยอาการแห่งขโมยคือ หยิบเอารับหลังเขาให้แม่เจ้าของเขารู้เขาเห็นแต่เมื่อเขาถามก็ปฏิเสธก็ไม่ได้เอานี่เดียววันรักแล้วก็อย่าไปข้อที่สนะามนั้นอะพมจริยาอย่าไปหยอกล่อผู้หญิงอย่าไปจับต้องผู้หญิง นี่จำไว้นะมุเจ้าว่ารักษาตัวให้ดีข้อที่สี่มุสาวาตอย่าไปพูดโกหกพูดคำไม่จริงพูดแต่เรื่องจริงอย่าไปด่าไปแช่งกันให้พูดแต่คำดีต่อกันและคันข้อที่ห้าท่านห้ามไม่ดื่มสุ ร, รามราีไร กัญชายาผิ่นเฮโรอีนบุหรี่นี่ก็ควรงวดเว้นนะอย่าไปสูบมันมีใครสูบบุหรี่บ้างฮ น, นเนี่ยที่บวชใหม่นี่มีไหมมีใครบ้างสูบบุหรี่ <c oughs> ต้องพยายามเว้นเนอะถ้าพอได้สูบ ก, ก็ดี มันไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมันมีแต่โทษนะนำโรคภัยเข้ามาสู่ร่างกายของเสพติดทุกอย่างไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมีแต่โทษสิ่งใดมันมีแต่โทษล้วจะไปส่อางเสพมันทำไมอ่ะมันทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไป ไอ้สำรุดทุดโทรมไปอยู่ไปไม่ทันถึงอายุไขก็ตายแล้วตัวเองไปสร้างโรคภยครัยไข้เจ็บให้แก่ตัวเองนี่คนถนมากไปอย่างนั้นอายุไม่ถึงนึกเจ็ดสิบแปดสิบปีตายไปแล้วยเ ย, ยอะแยะก็เพราะมันส่้างเสพของเสพติดต่างๆนี่แหละดัง น, นั้นอย่าไปลิ สูบมันเลยบุรีนะมันมีแต่โทษคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีข้อที่หกวิการะโภท่านมห้ามไม่ให้บริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่บวชเข้ามาแล้วหิวอาหารไหม เนี่นี่หิวอาหารไหมฮะฮะไม่หิวอ่ะเออเจ้าเป็นตัวแทนหมูนะเอออย่าไปหิววาหนะนะ่าเมื่อใจของเราไม่เป็นจุด